เราจะเดินพรพวกเราพร้อมที่จะฟังธรรมหรือยังนะการฟังธรรมฟังด้วยใจที่สงบสํารวมเป็นการแสดงความเคารพในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมไม่ต้องพนมมือก็ได้นะนั่งให้สบายนั่งรู้เนื้อรู้ตัวไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงเป็นของประณีต เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจําแนกแจกธรรมท่านจําแนกแจกธรรมตามภูมิจิตภูมิธรรมของคนฟังเพาะฉะั้นธรรมะแท้ๆที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยจะพอดีพอดีกับคนฟังถ้าคนฟังมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงจิตใจสงบอะไรเงี้ยธรรมะที่จะท่านจะแสดงมันก็จะประณีตครูบาจารย์ท่านก็สอนการแสดงธรรมการฟังธรรมนั่นก็มีสมาธิ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ของที่หาได้ยากในโลกถ้าจะว่าไปคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นศาสนาก็ได้เรียกว่าไม่ใช่ศาสนาก็ได้ไม่สำคัญว่าจะเป็นอะไรหรอกในความเป็นจริงแล้วเป็นศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ถ้าเราเข้าใจศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็จะสามารถมีชีวิต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 ข่มใจนะไม่ให้ทำตามใจกิเลสอย่างจะถือศีลต้องข่มใจไม่ให้ทำตามใจกิเลสกิเลสจะมายั่วให้เราทำความผิดนะเราไม่ทำอันนี้ต้องตั้งใจไว้ก่อนหลักตัวที่สองเเรียกว่าจิตศิกขาเราต้องมาเรียนเรื่องจิตใจของเราทำยังไงจิตจะสงบทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตที่ไม่สงบจิตมีความฟุ้งซ่านไม่สามารถเจริญตัญญาได้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 นี่ถ้ามองไปเนี่ยเรื่องศีเนี่ยเป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาจิตศิกษาปัญญาศิกษาเนี่ยเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจของเราจิตสิกษาเป็นการพัฒนาจิตให้สงบให้ตั้งมั่นนะก็เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานปัญญาศิกษาเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเพราะน้นงานที่เราจะทําทางจิตใจเนี่ยมีอยู่สองงาน งานหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานงานหนึ่งชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานสองงานนี้ไม่เหมือนกันคนในโลกนี้นะกระทั่งในาศาสนาต่างๆเนี่ยเขามีสมถกรรมฐานนะมีเยอะแยะเลยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่สิ่งที่ในคําสอนอื่นๆไม่มนะีคือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะเป็นการฝึกนะเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ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 จิตไม่ดิ้นรนจิตไม่หวิวโหยมันไม่ใช่ความสุขไร้เดียงสาแบบเด็กๆเฉะนั้นพวกเราไม่ควรจะหยุดตัวเองอยู่แค่การหาความสุขความสงบจากสมาธิเท่านั้นแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ได้แค่สมาธิก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะแต่ศาสนาพุทธไม่ได้ตื้นแค่นั้นหรอกมันเป็นความสุขที่เต็มที่อิ่มนะเหมือนผู้ใหญ่ซึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็ไม่แปรปลวนอีกต่อไปแล้วนี่นเราต้องมาเข้าถึงสิ่งนี้ให้ได้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 การทำกรรมฐานของคนอื่นทุกคนมีทางของตัวเองต้องสังเกตเอาเองคนไหนหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแล้วก็รู้ลมหายใจคนไหนพุโทโธบริกรรมไปมีความสุขพขาพุโทโธหรือบริกรรมไปบริกรรมอะไรก็ได้นะบริกรรมกระทั่งชื่อคนยังได้เลยนะอะไรก็ได้ถ้าถ้าหากจิตใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์บันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ย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 หลวงพ่อหายใจนะฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจิตมันชอบการรู้ลมหายใจเพราะจิตมันชอบการรู้ลมหายใจจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบอยู่กับลมหายใจนี่ก็คล้ายๆจิตนั้นคล้ายๆกับเด็กเด็กมันวิ่งไปซุกซนนะเราหาขนมมาล่อมันหาขนมที่อร่อยๆที่เด็กคนนี้ชอบเด็กอาจจะชอบกินไอศครีมอะไรเนี้ยบอกให้มันมานั่งกินไอศครีมอยู่แล้วมันก็ไม่หนีไปสนที่อื่นะ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 จะใช้สวดมนต์ก็ได้นะจะร้องเพลงแบบพวกชาวครีซเก็ร้องเพลงก็ไดนะ้จะคิดถึงพระเจ้าอย่างที่มุสลิมเขาคิดถึงเขาทาพิธีละหมาดวันละห้าครั้งอะไรในนี้ก็ทำได้คือถ้าจิตเขาคิดถึงพระเจ้าแล้วเขามีความสุขจิตเขาก็สงบมันก็ได้สมถะกรรมฐานเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะเรื่องสมถะกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลย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 จิตจะเริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นนะมันสามารถจะขยายแสงสว่างนี้ให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ให้เล็กแค่ไหนก็ได้จิต ท, ที่เล่นตรงนี้ได้นะเรียกได้ปฏิภาคนิมิตตรงนี้คืออุปจาระสมารถิแต่จากนั้นมีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตเข้าอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมามาฟุ้งซ่านใหม่ น, นี่คนไปติดสมาธิอยู่ออกจากสมาธิมานิสัยจะร้ายร้ายๆนี่มันจะออกมามากเลย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 ค่อยๆสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะในที่สุดเราจะรู้เลยว่าจิตนี้มันเคลื่อนไปตลอดเวลาหลวงปู่ดูลีจิตที่เคลื่อนไปนี้ว่าจิตที่ส่งออกนอกบางทีมก็เคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดนะนี่ทำยังไงเราจะสามารถฝึกจนเราสามารถเห็นจิตที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะมันมีวิธีง่ายๆนะเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่เคยทตอนทาความสงบนั่นแหละ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 มันถึงจะเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานได้จริงคนที่บอกว่าทํำวิปัสสนาทํำวิปัสสนานะเกือบร้อยละร้อยนะทำสมถะโดยไม่รู้ตัวอย่างเราดูท้องฟองยุบนะีจิตมันเบเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องนั่นแหละสมถะกรรมฐานจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือสมถะกรรมฐานแล้วละ่ะอย่างมากก็มีความสุขมีความสงบเท่านั้นแหละนะ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 มันจะเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุเปลี่ยนไปตัวมันก็เปลี่ยนไปถ้าเหตุดับไปตัวมันก็ดับไปนะนี่คำว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่า Not ไม่ใช่มีมีอะไรเลยนะทุกอย่างชีวิตพวกเราตอนนี้มันมีอยู่แต่มีเพราะมันมีเหตุอย่างร่างกายเรามีเหตุเรามีพ่อมีแม่เราเกิดขึ้นมาได้เรามีอาหารเรามีน้ำนะเรามีเสื้อผ้าใส่ไม่หนาวตายไม่ร้อนตายอะไรเนี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยหล่อเลี้ยงอยู่ร่างกายนี้ก็มีได้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 เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิอะไรๆก็ไม่มีความจริงของกายของใจคือไตรลักษณนะ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวท่านไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหินมักเป้งแล้วท่านก็ไปถามหลวงปู่เทศเทศรังสีที่วัดหินมักเป้งบอกว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญา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 นะสั่งมันว่าอย่าชั่วมันก็อย่าชั่วสั่งให้ดีมันไม่ยอมจะดีมันไมนะ่อยู่ในอำนาจสั่งให้คิดเรื่องนี้มันไปคิดอีกเรื่องหนึ่งสั่งว่าเรื่องนี้อย smells. ่าคิดมันจะคิดเรื่องนี้มันบังคับไม่ได้นี่เราคอยรู้ลงในกายคอยรู้ลงในใจนะเห็นแต่ของที่ไม right ่เที네่ยงเป็น <reiter> ท <companies nhất> ุกข์ถือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้เบื้องต้นจะเอากายเป็นฐานไว้ก่อนก็ได้หรือจะเอาจิตใจเป็นฐานไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัด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 จิตมันยอมรับได้เราจะแก่จิตก็อยอมรับได้เราจะเจ็บจิตก็อยอมรับได้เราจะตายจิตก็อยอมรับได้จิตจะไม่ทุกขน์นะเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักคนที่เรารักพลัดพราก ป, ปุับปรับไปเลยเราตั้งตัวไม่ทันนะแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติเราก็ยอมรับได้ว่าเขาก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราก็ยอมรับไดนะ้เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องสมหวังเสมอไปบางทีเราก็ได้รัฐบาลที่เราไม่ชอบ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 หนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยจิตจะมีความอยากเกิดขึ้นคืออยากได้ความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์แต่อเมื่อวันใดเรามีสติปัญญาแก่กล้าจริงๆนะเรารู้สึกอยู่ในกายไปเรื่อยเราเห็นในกายมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขคนที่ไม่ได้ฝึกแล้วก็เห็นตอนที่มันทุกข์น้อยนะว่ามันเป็นสุขแต่ถ้าเราฝึกมากเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์แค่เราลองหายใจดู เราหายใจเข้าลองหายใจเข้าไปเรื <displayed, S 2> <ading> ่อยๆสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆรู้สึกทุกข์ไหมเราต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์ไหมเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์มเรานั่งอยู่นี่ไม่นานก็ทุกข์เราต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์นี่เราเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัติ เมื่อเราก็ขยับไปขยับมานะเราไม่เคยเห็นว่ามันทุกข์เลยนะเราก็เห็นว่าแหมมันสบายดีความจริงมันทุกข์ตั้งหลายรอบแล้วนอนกลางคืนพลิกไปพลิกมาไหมตอนนอนหลับร่างกายอยู่ที่ตลอดเลยหลายๆชั่วโมงไหมไม่ไม่นอนนิ่งๆนะร่างกายเนี่ยคืนหนึ่งคืนหนึ่งนะพลิกตั้ง 30- 40ครั้งนีแล้วแต่ว่านอนมากนอนน้อยนะถ้าเป็นไข้นะปวดมากก็พลิกมากที่จริงร่างกายเคลื่อนไหวนะหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลย ไม่ได้มีความสุขจริงเลยแค่หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เปลี่ยนอีเดยาบทยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์ถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยเร่างกายมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษละถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะความผูกพันรักใคร่ยึดถือในร่างกายเนี่ยจะสลายตัวไปเอง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 มีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวให้อยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากมาวาัดมงคลรัตนารามอยากโน้นะอยาก น, ากนี้ความอยากเนี่ยบีบคั้นใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยถนะ้าคอยสังเกตดูสิแต่ละคนแต่ละคนนะเรานึกว่าเรามีอิสรภาพมนุษย์ทั้งหลายนึกว่าตัวเองมีอิสรภาพแท้จริงเราไม่เคยมีอิสรภาพเลยแต่เรามีเจ้านายที่เรามองไม่เห็นตัวเจ้าหนายที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่าน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 คนที่สามารถเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์หมดความยึดถือในร่างกายได้นี่ท่านเรียกว่านะพระอนาคามีนะพระอนาคามีเพราะท่านจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปลนะถ้าภาวนาไปจนถึงสุดขีดนะีจะเห็นเลยว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกขนะ์ตัวทุกข์หมายถึงว่าเป็นตัวไม่ดีเป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่เคยนึกเคยเชื่อมาแต่เดิมนะบางท่านเห็นว่าจิตนี่เป็นของไม่ดีของไม่วิเศษเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยง แม้อุตสาภาวานาจนจิตสว่างสวบนะผ่านไปหลายๆวันจิตชักมัวมวได้อีกแล้วนี่มันไม่เที่ยงรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของไม่ดีเลยนะท่านหมดความยึดถือจิตได้บางท่านที่ทรงสมาธิมากทําสมาธิมากๆเนี่ยจิตมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะตรงที่สติปัญญาแก่กล้าสุดขีดแล้วเนี่ยขณะที่จิตมีความสุขอยู่ดีๆีนั้นเกิดพลิกตัวนิดเดียวนะจะเห็นเลยว่าจิตนี่คือตัวทุกขในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกเท่าตัวจิต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 บางคนไปเกิดอุบัติเหตุหัดเจริญสติอยู่เนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุรถควา่าขนาดที่รถพลิกไปเนี่ยนะจิตมันถอดตัวมาเป็นคนดูนะมันเห็นร่างกายกลิ้งไปกลิ้งไปจิตเป็นคนดูแนละไม่มีความตกใจเกิดขึ้นเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ธรรมะอะไรเลยนะจิตมันถอดออกมาได้นะแต่ว่านี่มันมันไม่ยึดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ยึดอีกแต่ถ้าเป็นพระนาคามีมันจะไม่กลับเข้าไปยึดจิตอีกมันอยู่นะจิตมันไม่ไปยึดกายอีก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 นิพพานนั้นเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะมีสภาวะมีลักษณะสงบสันติสงบจากทุกข์สงบจากความปรุงแต่งสงบจากกิเลสที่จริงคือสงบจากกิเลสนะสงบจากความปรุงแต่งทั้งปวงสงบจากความอยากสงบจากความทุกข์นะสงบจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิพพานนั้นเป็นสภาวะแห่งความสงบซึ่งเกิดจากการสิ้นตัณหาสิ้นอยาก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 นั้นเราจะเข้าถึงความสุขความสงบหยุดตลอดเวลาเลยนะทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีความสุขมีความสงบมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมีความรู้มีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะเข้าใจสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นตัวเองแล้วพบความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีอย่างแท้จริงหรอกมีแต่สภาวะของรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็แตกสลายไป และจิต ท, ที่มันพัฒนาสุดขีดนะปัญญาถึงขั้นสุดขีดแล้วเนี่ยมันจะไม่ยึดถือในกายในใจในรูปในนามอีกต่อไปแล้วมันจะพ้นออกไปจากโลกถ้าเมื่อไหร่พ้นจากรูปนามได้นะก็คือพระนิพพานนั่นแหล ะ, ะเป็นสภาวะที่สงบเป็นสภาวะที่สันติเป็นสภาวะที่สิ้นอยากสิ้นตัณหาเป็นสภาวะที่สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเพราะมีความอยากยงเกิดการดิ้นรนปรุงแต่ง เราเคยได้ยินคําว่าเพราะมีตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างภพไหมตัณหาเป็นผู้สร้างภพภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนั่นแหลนะนั้นถ้าเราสิ้นตัณหานะหมดความอยากทําไมหมดความอยากเพราะได้เห็นความจริงของกายของใจแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้ใกายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้ใกายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีนะความอยากทั้งหลายที่นานาชนิดของเราอะไปดูให้ดีเถอะ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 พอไหวไหมนานๆหลวงพ่อมาทีนะหลวงเลยพ่อเลยเทศแบบเทยามนะเทยามให้นะ้ําไม่มีกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ถ้าเข้าใจสิ่งที่บอกนะแล้วเราจะพบว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยพระธรรมเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยพระริยสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยแต่เดิมท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างเรามีความทุกขอย่างพวกเรานี่แหละ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 มันยังยึดอยู่นะแต่อาศัยกำลังสมาธินะี่จิตมันก็เฉยๆไป <Okay. S 2> มันก็เหมือนไม่ยึดที่จริงยังยึดนะ <Okay. S 2> เรายังไม่เห็นหรอกเพราะว่าที่เดินอยู่เนี่ยจิตยังเดินอยู่ในภูมิของสมถะกรรมฐาน <Okay. S 2> มันมุ่งมาที่ความสงบยังไม่ได้เดินปัญญาจริงๆถ้าเดินปัญญาจริงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูเท่านั้นเองจิตจะไม่ล็อกตัวนิ่งๆอยู่นะถ้าจิตยังล็อกตัวนิ่งอยู่เนี่ยเป็นสมถะอยู่ พอหลังจากนั้นเนี่ยหนูรู้เกิดสภาวะที่สองพอเรารู้ว่าเรานิ่งแล้วเนี่ยหนูก็ดึงกลับมาภาวนาที่พุโทโธใหม่อมพอภาวนาที่พุโทโธใหม่ภาวนาไปเรื่อยๆเราก็จะแยกเราก็จะเห็นจิตเนี่ยหลุดออกมาจากกายคือไม่ได้จิตเนี่ยเป็นอิสระออกจากกายหนูก็เพ่งอยู่ที่จิตซึ่งจะลอยอยู่ Uh, หน้าผา mm hmm. แต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนว่าจิตเนี่ยมีพลังอเหมือน mm hmm. เหมือนเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆแล้วเหมือนจะทะลุขึ้นมาบนฟ้า mm hmm. ค่ะพอเรา<ด>เริ่มรู้ตัวตรงนั้นหนูก็กลับมาพูดโทใหม่ mm hmm. แต่ว่าไม่มั น, มนที่หลวงพ่อทำอยู่มันเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะอย่างการที่หลวงพ่อบอกท่กายกับจิตแยกกันเนี่ยไม่ได้แยกแบบนั้ น, ไ ม, ไ, บบ น, นไม่ได้แยกแบบอยู่คนละโลเคชั่นนะมันแยกในความรู้สึก มันจิตมันก็อยู่ในกายนี่แหละแต่มันรู้ว่ามันไม่ใช่กายนะมันก็รู้ว่าจิตกับกายเนี่ยคนละอันกันจะไม่ได้ถอดออกมาไปอยู่ข้างนอกหรอกการที่จิตถอดออกมาเป็นผลของสมาธิแล้วจิตมันเคลื่อนไปนจิตมันเคลื่อนไปแล้วตรงที่หนูรู้ว่าจิตเคลื่อนหนูกลับมาอยู่กับพุทโธนี่ก็เป็นการทำสมถะอีกพอกาลังของสมาธิอ่อนลงนะจิตก็เคลื่อนออกไปอีก หนูก็ไปดึงกลับมาอยู่กับพุโทโธอีกนะมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ต่อไปนี้หนูเอาใหม่นะพยายามรู้สึกตัวสบายๆอย่าให้ใจเนี่ยล็อกตัวอยู่นิ่งๆนึกถึงเวลาที่เรายังภาวนามไม่เป็นสมัยที่เราเป็นเด็กๆเรายังไม่เคยหัดภาวนาเราไม่เคยบังคับให้จิตนิ่งแบบนี้จิตของเด็กๆซึ่งมันไร้เดียงสาเนะีนะ่ยนะเป็นจิตที่เหมาะเลยสําหรับการทำํำมิปรัสนากรรมฐาน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 มีความรู้สึกได้แต่เราเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงนะต้องฝึกอย่างนั้นนะอย่าไปบังคับอย่าไปตรึงจิตให้นิ่งกราบนมัสการพระคุณเจ้าวัดบงคลรัตนารามกราบเท้าหลวงพ่อประโม ท, ป ร, โมทประโมทโชว์มีเต็มยศเลยฉันชื่อดวงพรดันแคนมาจากลาสเปกัสค่ะแล้วก็ฟังจิดีของท่านมาหลายร้อยหลายพันครั้ง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 พรไปว่าประเสริฐน ะ, ะสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีเนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำเอาเองนะไม่มีใครให้กันได้หรอกงั้นเราทําไปน ะ, ะอย่างเรามีการรักษาศีลมีการฝึกจิตให้สงบมีการฝึกจิตให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราเป็นพรในตัวของเราเองอยู่แล้วขับขอบพระคุณ<า>ค่ะโอ้อยางนี้ดีบางคนเซ้าซีนะ่าจะเอาให้ได้เราก็ไม่รู้จะให้พร อ, อะไรให้พรมันก็เหมือนหลอกหลอกเด็กอะ มาจาก l a ลใช่เหรอออลาสเวกรั <last> นัอ ก, การะคุณของพ่อประโมทประโมโธโชวันนะี้ลูกได้มีโอกาสถือเป็นมหาเลิกมีความปลื้มปิติมากปลิม่ม<อ>ส่วนปลิ่มนะสังเกตไหมว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมนะเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ การร่างกายก็โคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นโคนละอันกันเห็นไหมว่าความโลบความโกรธความหลงกับจิตนัก็เป็นโคละอันกันกายกับจิตเป็นโคละอันเห็นไหมขันมันเริ่มแยกแล้วเมื่อขันมันแยกได้นะจิตมันเป็นคนดูไม่ใช่เห็นในรูปส่วนรูปจิตส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปทํางานของเขาเองกุศลอกุศลเขาก็ปรุงของเขาไป ใจเป็นแค่คนดูไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอยู่ได้ดีชฉลักลเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองรหรือยังเห็นแล้วค่ะหลวงพ่อเป็นนิมิตหมายที่ยกยกใหม่นี้ไม่ต้องพนมมือเป็นนิมิตหมายที่ลูกสุดจะปิื้มที่สุดในชีวิตค่ะดีแล้วละ่ะค่ะกับนมาสการค่ะเมื่อจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้วนะขันมันแยกตัวออกขันแต่ละขันนั้นจะสอนไตรลักษ์เรา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 แลเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วไม่ไปบังคับให้จิตนิ่งนะเอาจิตที่ตั้งมั่นนี้แหละมาดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นคนดูเห็นความโลภความโกรธความหลงผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนดูนะเนี่เห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาด้วย<อ>ฝึกได้ดีอยู่ไปไฝึกให้ได้ <ภา S 2> นะเจ<อ>็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีฝึกไปด้วยถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ฝึกมันเจ็ดชาติ ค่ะกราบนมัสการอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งอย่าไปเพ่งให้จิตแข็ง ใ, ให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดาสบายๆจิตที่แข็งเกินไปใช้ไม่ได้นะขุนเสื้อแดงกราบนมัสการหลวงพ่อปราโม้นเจ้าค่ะยกใหม่นะไม่ต้องพันนมือร้องเหมือนคาราโอเกะเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะ อ, อ ย, มยมอยากจะทราบว่า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 ทีนี้จําเป็นไ้มคะที่เราต้องแบบกําหนดจิตว่าต้องอยู่ที่ปลายจมูกอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐาน อ, อ๋อเ <นะ S 1> จ้าค่ะไม่จําเป็นใช่ไหมเจ้าคะไม่จําเป็นไม่จำเป็นหลวงพ่อนะแต่เดิมก็อยู่ที่จมูกนะทำสมถะมันสว่างอยู่กับแสงสว่างเจ้าค่ะอยู่นานไปไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความสงบสง บ, สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอยู่อย่างนี้ซ้ําๆไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตนเองก็เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วย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 จนมากมันรักดีเคยได้ยินไหมสัมโนนโบราณรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเห็นไหมจัวใหญ่นะหนักกว่าเสาอีกรักดีก็หนักแหละรักดีกลัวจิตไหลไปรักษาไว้ทั้งวันเครียดนะทีนี้อย่างนึ่งยมจะทราบว่าอารมณ์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเราจะแยกยังไงเจ้าค่ะว่าอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนามถะเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยไม่ได้บังคับไว้ วิปัสนาเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคนละแบบกันคนละทีนี้รุมอยากจะถามนึงว่าเวลาเราก่อนที่เราจะนั่งสมาธินี้การสวดมนต์ไหว้พระหรือกราบพระเนี่ยเราต้องสวดแบบบทไหนก่อนจะค่ะถือว่าเหมาะสมที่สุดจะการทำบาบทไหนแล้วเอาบทนั้นแหละชอบบทไหนเอาบทนั้นก็เคล็ดลับของการทําสมถอะนะคือมีความสุข ถ้าเราชอบบทพุโทโธอะไรสูตสุตโทอะไรเงี้ยแล้วถ้าชอบบทนี้เราก็สวดบทนี้ <Okay. S 2> ชอบน้โมเราก็เอาน้โมนะชอบบท <Okay. S 2> ไหนเราเอาบทนั้นตามแต่ถนัดใช่ไหมเจ้าคะ่ะตามถนัดนะ <Okay. S 2> แล้วสวดมนต์อย่างเดียวจิตก็สงบได้ <Okay. S 2> ไม่ใช่ก่อนนั่งนะ <Okay>. oh. หมายถึงว่ากระทั่งการสวดมนต์นั่นแหละก็คือการทําสมถะกรรมฐานแล้ว oh. Oh. Okay. จะเป็นสมถะกรรมฐานชนิดใช้การสวดมนต์ <Okay. S 2> เป็นอารมณ์กรรมฐาน แล้วสวดมนต์ไปจิตหนีไปรู้ทันจิตก็สงบเพ่อมาพอสวดมนต์เสร็จจิตใจสบายมานั่งสมาธิมารู้ลมหายใจต่อจิตมันสบายมาจากการสวดมนต์แล้วพอมานั่งสมาธิต่อจิตสบายมันก็สงบง่ายเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละความสุขความสบายนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้า จ, จิตเครียดไม่มีสมาธิหรอกอปล่อยวางกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ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 กลับนมัสการหลวงพ่อปาโมดค่ะนี่ว่าจะมีปาโมดโชว์ด้วย <c oughs> ตอนนี้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น <c oughs> แล้วหัวใจเต้นแรงมากคะดี <c oughs> จะได้แข็งแรงเดี๋ดิฉันได้ฟังทำจากหลวงพ่อจากอินเทอร์เนต็ตประมาณสามถึงสี่เดือนมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติดูแล้วก็มีความรู้สึกว่ารู้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 รวดเร็วกว่ารูปพอจิตมันโกรธนะมันบังคับให้หัวใจเต้นแรงให้เลือดสูบฉีดมีฮอร์โมนมากระตุ้นให้ร่างกายดุเดือดแข็งแรงเตรียมต่อสู้อันนี้ตัวนี้มันต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งถึงหายาเป็นปกติแล้วพอเวลา อ, อันนั้นดิฉันไม่รู้ว่านั่นคือการเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าหมายถึงว่า ต, ตรง <พอ S 2> รที่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันน ะ, ค, ะความโกรธ ด, ดับไปนะถ้าเราเห็นสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราทำวิปัสนาอยู่นะอันนั้นคือการเจริญวิปัสนาใช่ไหมคะแต่ว่าต้องทําบ่อยๆนะไม่ใช่นานๆฟลุกทีหนึ่งเห็น <c oughs> ทีหนึ่งไม่เป็นหรอกอ๋อค่ะก็คือต้องรู้สภาวะอารมณ์ทุกๆครั้งไม่ใช่ทุกครั้งรู้บ่อยๆรู้ทุกครั้งไม่ได้เราไม่ใช่พลาอรหันต์ค่ะโอเคค่ะรู้บ่อยๆ หมดแล้วหรือคะขอกราบขอประคุณค่ ะ, ะนำมาสการหลวงพ่อค่ะอยากเพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อเมื่อสองสมเดือนมาแล้วก็พยายามปฏิบตัติอยากทราบว่าบางครั้งเนี่ยพอทําหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ให้รู้ว่าจิตหนีไปใช่ไหมคะก็พอรู้ขึ้นมาก็หยุดคิด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 ยอแยกๆเลยค่ะกิเลสแยกๆเลยนะ <laughs> โอพอรู้ว่าอยากได้อะไรเนี่ยพอรู้ว่าเออเราอยากได้นะก็คือคือลดไปความอยากนี่ก็คือลดไปคือยังไม่หายไปทีเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพอเจอร์ไปฟุ้งซ่านอะไรไปเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาก็รู้ว่าเออเราฟุ้งซ่านนะแล้วมันก็หยุดคือเขาก็หยุดคิดมันก็หยุดคิดทั้งหมดไปเองอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะถูกนะค่อยๆฝึกไป ฝึกไปจนกระทั่งเห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยย่อยแย่อยไปหมดเลยค่ะขอบคุณกิเลส น, นะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะขึ้นมาครอบงําใจน้ำมัสการหลวงพ่อนะคะมีคําถามค่ะว่าถ้าสําหรับคนบางคนนะคะที่ไม่มีโอกาสนั่งวิปัสนาหรือเป็นนักฝึกหัดใหม่นี่นะคะ<ม>แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะหมายถึว่าอาจจะวิปัสน า, านะเราไม่ใช้คําว่านั่งวิปัสนาหรอกหนู พิปัสสนานะจะยืนเดินนั่งนอนนะมีสติเห็นกายเห็นใจทํางานใจเระเป็นคนดูเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาในกายในใจทุกๆุกอิริยาบถม่มีพิปัสสนาหมุดนะแต่ถ้าทําสมถะเนี่ยบางคนต้อ ง, ต, องต้องนั่งบางคนต้องเดินอะไรเงี้ยมันจำเพาะ อ, อิริยาบถค่ะแล้วถ้าหัดเรียนรู้ตามจิต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 แต่ถ้าเราทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างเรากวาดบ้านเราซักผ้าเราเดินไปมาลดต้นไม้นะอาบน้ำให้หมาอะไรย่างเงี้ยใช้ร่างกายเคลื่อนไหวตรงนี้เราเจริญสติได้เจริญปัญญาดได้เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูได้นะงั้นถ้าเราทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยให้จดจ่องานไปมีหน้าที่ทางานนะาแต่ถ้าทำงานไปแล้วเกิดกิเลสเกิดขี้เกียจขึ้นมาให้รู้ทัน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 การเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้รนะ่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นปอนัตตาในกายในใจรู้สึกไปเรื่อยวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ง่ายๆนะเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งนะความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันนะส่วนเวลาทําในรูปแบบแล้วก็มันจะปิดบางทวารไป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 ดูไปน้าเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายกับเวทนาเขาเป็นโคนละอันกันครับเห็นไหมมันย้ายออกไปก็ได้นะจริงจริงมันก็ยังอยู่ที่เดิมแหละแต่จิตมันคล้ายๆมันขยายการรับรู้ออกไปแมันแยกออกไปรู้สึกว่ากายกับเวทนาเป็นโคนละอันกันครับจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันค่อยฝึกเรื่อยๆเนี่ยดีแล้วล่ะแค่นั้นครับขอบพระคุณครับ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 งั้นเราคอยรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นนะรู้ได้ใจเป็นกลางเราจะเห็นเลยกิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับนะดูไปเรื่อยปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้ น, น, น, นดีไปฝึกอีกข อ, ขอบาคุณมากครับกลับนมัสการหลวงพ่อประโมทครับอืโยมอยากให้หลว ง, งพอ<ย>่อไให้เกี่ยวกับที่หลวงพอ่อบอกว่าไตรลักษ์นะครับ ว, ว่าไงนะยมยกไม้ตั้งๆอย่างเงี้ยแต่เอาไม้จี้เข้าไปที่ปากเอออย่าเนะ <laughs> หลวงพ่อช่วยอธิบายที่หลวงพ่อบอกว่าไตรลักษณ์ที่หลวงปู่เทสตอบถวายพระราชดำรัถามของในหลวงนะคือท่านบอกว่าที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์ปัญญามันมีหลายปัญญาปัญญาจากการอ่านจากการฟังนี่มันปัญญาของคนอื่น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 ต้องเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นไตรลักษณ์นะถึงจะล้างกิเลสได้จริงๆ ง, งั้นท่านถึงบอกว่ามันเป็นสุดยอดของปัญญานะวิธีที่จะให้เห็นให้เกิดปัญญาที่อธิบายไปแล้วนะก็คือเรามีจิตเป็นคนดูก่อนจิตเป็นคนดูเราก็เห็นร่างกายมันทํางานไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจทํางานไปจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะนะัมีปัญญาเกิดขึ้น กรับรมัสกการหลวงพ่อครับผมก็พยายามตามดูตามรู้มานะครับครนี้ผมรู้สึกว่าจิตมันก็ฟุ้งอยู่เรื่อยๆแล้วผมกาลังอยากจะทราบว่าถ้าเกิดผมฝึกอนาปนาสติเนี่ยจะช่วยทำให้จิตมีแรงมากขึ้นไหมครับดีนะถ้าทำได้ก็ดีนะหลวงพ่อเองเคยพลาดหลวงพ่อภาวนาทาอนาปนาสติอยู่ยี่สิบอปีก็ว่าช่ำชองแล้ว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 ถ้จิตเคลื่อนไปนั่นอย่างเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราดูกิเลสนี่กิเลสนี้เคลื่อนปุ๊บออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วสลายตัวไปจิตเราไปว่างอยู่ข้างนอกเลยเแล้วไปนิ่งอยู่อย่างนั้นว่างๆสบายมีแต่ความสุขอยู่งั้นผ่านไปเป็นปีเลยนะตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่เพราะจิตมีความสุขอยู่อย่างนี้เป็นปีวันหนึ่งไปเจออาจารย์มหาบวัวหลวงคนเดี๋ยวนี้เรียกหลวงตาบวัวนะหลวงตามหาบวัวไปหาท่านตอนนั้นไปกราบท่าน ถามท่านบอกว่าท่านอาจารย์ผมพ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆนะแต่ทำไมช่วงนี้มันไม่พัฒนาเลยท่านมองหน้าบับนะท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วละ่ะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สาคัญมากนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกแค่เนี้ยหลวงพ่อก็เอ๊ท่านบอกให้บริกรรม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 พระจิตเข้าฐานจิตรวมเลยรู้เลยว่าหลงอยู่ข้างนอกตั้งปีงจิตออกนอกไปตั้งปีเหราะนถ้าคุณทําอานาปนสติได้นกะ็ดีนะแต่อน า, านาปนสตินะไม่ใช่อนาปานาไม่มีสตินะอนาปานาสติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติเป็นตัวหลักไม่ใช่ลมหายใจเป็นตัวหลักหรอกเพราะนั้นถ้าขาดสติจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจนะไม่ใช่อน า, านาปนสติตัวจริงนะ ัรสังเกตอย่างนะในพระสูตรเนี่ยเวลาพูดถึงอาณาปณสตินะคำพูดของพุทธเจ้าแต่ละคำมีความหมายที่เรามักจะละเลยท่านสอนง่า ย, ายๆดูกร้าิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันห ล, ลังคู่บันหลังคือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพร ะ, พระไม่มีเก้าอี้จะนั่งพวกเรานั่งเก้าอี้ได้ไหม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 แค่หายใจออกเส้นนิดหนึ่งนะใจจะคลายตัวหายใจเข้าด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายหายใจออกด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายเมื่อจิตใจผ่อนคลายเนี่ยจิตจะสงบแม้เคล็ดรับมันอยู่ที่ตรงนี้เองตรงที่จิตใจมีความสุขมีความผ่อนคลายงั้นบางคนทําอานาปนานสติแทบตายทําไม่สงบเลยนีย่ทำแล้วเครียดแล้วเพราะทำแล้วไปบังคับจิตงั้นการทำอานาปนานสตินะให้ทําไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายมีสติเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้า รู้ไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะมันมีเคล็ดลับนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ให้ฟรีนะเนี่ยวิชานี้ค้นกวามาพ่าหลวงพ่อเราเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรที่ใครเขาทำนะก็ลองกับเขาทั้งนั้นอนะ่ะกรรมฐานที่ไม่เคยทำนี่หายากมากเลยสนะ่วนใหญ่เคยลองมาแล้วทั้งนั้นอนะ่ะสายไหนสายไหนคือท้ายจับหลักถ้ า, ถ, าถ้าหลักถูกนะ กรรมฐานอะไรก็เหมือนกันถ้าหลักผิดกรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันหมดเลยนะงั้นมันไม่ใช่ว่าพุโทโธดีหรือว่าหายใจดีหรือฟองยุบดนะีหรือดูอย่างโกเอนก้าดีนะมันต่างคนต่างดีแต่ถ้าหลักถูกนะมันดีหมดแหละอันไหนก็ดีถ้าหลักผิดนะอันไหนก็ผิดเหมือนกันหมดเลยไปนั่งแล้วก็ไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปพุโทโธก็เพ่งพุทโธไปดูท้องก็เพ่งท้องไปเดินจงกรมก็เพ่งเท้ากล้เป็นเพ่งไปหมด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 ที่แต่เดิมให้ดูกายนะน่าจะพระจิตมันฟุ้งมากก็ได้นะหลวงพ่อจำไม่ได้ว่าทำไมให้ไปดูกายก่อนตอนนั้นอาจจะดูจิตไม่ไหวถ้ามันฟุง้งหรือมันเคลื่อนไหวรุนแรงนะแล้วให้ดูกายไปก่อนก า, กายมันไม่วุ่นวายมากดูไปแล้วใจสงบแล้วกลับมาเห็นจิตได้ครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าให้รดูกายเนี่ยเพื่อให้เห็นจิตดูจิตแ้เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง สมัยแรกๆหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลมีอยู่ช่วงหนึ่งสงสัยเหมือนกันนี่ไปไหนไปไหนนะมีแต่ครูบาอาจารย์บอกให้พุทโธแล้วพิ่จะนาฬิ ก, กายให้ดูกายทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ดูกายเราดูแต่จิตจะใช้ได้หรือไม่ได้พอสงสัยงี้ไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมจะต้องุพิจนาฬิ ก, กายไหมหลวงปู่บอกว่าเขาพี่นาฬิ ก, กายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อถึงจิต ถ, จถึงใจแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะ ท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เรามาดูกายดูกายนะเพื่อให้มีแรงนะของคุณตอนนี้มันมีแรงแล้วมันดูจิตได้แล้วก็ดูจิตไปเนะดยเฉพาะจิตที่มีทิฏฐิเรายึดในความคิดในยึดในความเห็นของเราเลยมีเรื่องกับแม่บ่อยๆอะไรเงี้ยให้เรารู้ทันว่าเรายึดในความคิดความเห็นของเราเองนะและความคิดความความยึดถือนะสลายตัวไปนะแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันถ้าเราดูจิตได้ให้ดูจิต ถ้าไม่มีแรงดูจิตมันฟุ้งซ่านมากก็มาดูกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะอ่าต่อไปไอ้คนนี้สักไร้ครับขคขาพอส่งกันบ้านไปรอบแนละ้วลูกอยากจะกับนอสกรารหลวงพอ่ออธิบายเรื่องการเดินจงกรมค่ะวันนั้นหลวงพ่ออธิบายเรื่องการเดินจงกรมของหลวงปู่เทศทึ่งแสดงท่าแต่หนูไม่สามารถจะมองเห็นได้ในขณะที่หนูฟังเอพีทีอยู่ค่ะอะไรนะ ก า, ารเดิน <ระ S 2> จงคนะมของหลวงปู่เทศคะ<อ>่ะวันนั้นท่านพูดทางเอ็พทแล้วท่านแสดงท่าและหนูมึงนึกภาพไม่ออกว่าหลวงปู่เทศเดิน<อ>จงกรมอย่างไรค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวีดีโอให้ดูนะเดี๋ยวเป็นเทศที่ต่างๆนะเขาชอบถ่ายวีดีโอมีให้ดูเยอะเลยในตอนนั้นหลวงพ่อไปภาวนาที่หินมกเป้ง นี่ตอนเช้าพ่อไปกราบหลวงปู่นะหลวงปู่เห็นหลวงปู่ก็กําหนดเลยให้ไปอยู่กุติเก่าของท่านท่านเพิ่งสร้างมณฑปใหม่ท่านย้ายไปอยู่ที่มณฑปมณฑปของท่านนี่มันเป็นกระจกผนังจากมองจากด้านที่เป็นกุติเก่านะเป็นกระจกนี่หลวงพ่อไปอยู่กุติเก่าของท่านอยู่ปลายเตียงเดิมของท่านที่ท่านเคยนอนนี่แหละกลางคืนนะัเราก็เหนื่อยเหนื่อยนะนั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนเลย เราอยู่มาอีกตลอดวันไม่ได้พักเลยนะกลางคืนกาจะนอนท่านก็ให้ไปอยู่ห้องเก่าของท่านซะด้วยมองไปก็เห็นท่านอยู่ทั้งคืนเลยเห็นท่านเดินจงกรมท่านก็เดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะเดินครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเรานอนไม่ได้นะเสียชื่อทักปฏิบัติ น, ะนอนก่อนตื่นทีหลังอาจารย์เนี่ถือว่าแย่เสียวัฒนธรรมนะอาจารย์ไม่นอนโอโ้เราง่วงจะตายแล้วเห็นท่านเดินเดินนะ นึกว่าสักสีทุมท่านจะเลิกสี่ทุ่มก็ไม่เลิกนะเราก็นั่งแทบจะกาดใจห้าทุ่มกว่านะท่านเลิกท่านเป็นนอนเราดีใจแล้วรีบลงไปนอนเนาะอากาศมันหนาวมากเลยตีหนึ่งกว่ า, วาหนาวจาัดทกตื่นขึ้นมาชิช่ชะงกดูท่านอุยท่านมาเดินอีกแล้วเราก็ต้องรู้ขึ้นนั่งอีกแล้วไม่กวนไปเห็นเลย <laughs> เดินมันมืดนะในมนดบท่านมันมืดที่ท่านอยู่เห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มอย่ ในใจมันก็สงสัยขึ้นมาเอ๊หลวงปู่ครับถามท่านเน่ยหลวงปู่ครับเวลาเดินจงกรมเนี่ยเอามือไว้ตรงไหนดีครับก็นึกว่าท่านจะทาอย่างนี้หรืออย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วแต่ส่วนมากอาจารย์เท่าไหร่ก็อย่างนี้นะพอถามท่านจบปุ๊บนะท่านแกว่ง <c oughs> <c oughs> อ, อ๋อเข้าใจแล้วครับทุกอิริยาบถ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 งันทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัว น, ะนั่นแหละการเดินจงกลมตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละเราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วงั้นจุดสําคัญอยู่ที่เรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เฉยๆนี่เป็นสมถกรรมฐานถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราเห็นความจริงของกายของใจแสดงใจลักษ์ไปด้วยนั่นกําลังทํำวิปัสสนากรรมฐานอยู่นะหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อถึงขนาดนี้นะว่าคุณเชื่อไหม หลวงพ่อนะทั้งเอาหัวเอาศาีรษะทิ่มพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าหลวงพ่อก็ทําสมาธิได้เนี่ยไม่ต้องนั่งท่านี้หรอก น, นะบอกเชื่อเชื่อครับเชื่อเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติเอาหัวทิ่มพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าแบบเล่นโยคนะเรื่องความรู้สึกตัวอยู่ก็คือปฏิบัติอยู่นั่นแหละเั้นไม่ได้อยู่ที่ท่าพวกเราบางทีไปปฏิบัติธรรมนะเข้าสํานักโน้นสํานักนี้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 ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะกับเรานะเรียนแบบของคนอื่นไม่พัฒนาหรอกเครียดทางใครทางมันใครมาจากอีสานบ้างมีมั้มให้อีสานมีหลวงพ่อครูบราจารย์อยู่อีสานเยอะเลยมีท่านหนึ่งชื่อคุณแม่น้อ ย, แ ม, อยแม่ชีพิมพาอยู่กับหลวงพุทธแม่แม่น้อยท่านบอกว่าก็การปฏิบัตินะมันเหมือนคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกัน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 ถ้ามีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องเราก็เลือกรูปแบบกรรมฐานที่เหมาะกับเราเองอย่างบางคนนะขาสองข้างไม่เท่ากันนะอาจารย์กําหนด เ, นเดินจะต้องก้าวแต่ละก้าวต้องยาวเท่านี้เโอ้โหมันเดินยากนะขามันไม่เท่ากันเนี่ยทําไมต้องเดินเท่ากันเดินไปแล้วก็หงุดหงิดอาจารย์ว่าอาจารย์บังคับเราเดินขาก็เปลกเงี้ยนะไม่เหมือนเขาเนี่ยรู้สึกอับอายขายหน้าคนอื่นเขาก็มองเรา เรารู้ทันว่ากําลังอับอายไขยหน้านี่เราปฏิบัติแล้วนะงั้นรูปแบบนั้นเป็นแค่เปลือกนะเราอย่าไปเถียงกันว่าเปลือกอันไหนดีกว่าเปลือกอันไหนหมดหรื อ, อยังคมีอีกท่านหนึ่งครับหลวงพ่อหลวงพ่อพอไหวไหมครับไหวไหวว่ามานาฬิการแท้ ผมได้ยินเถอโยมพูดไม่โยมพูดไทยไม่ค่อยพูดไทยไม่เก่งพูดแลว้วโยมพูดท่านฟังลาวได้บ่ได้บ้าง <laughs> อาจารย์เป็นลาวเยอะเลยเพราะโอยอมโยมพูดไทยบ่ค่อยชัด <laughs> ได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะโยมนั่งสมาธิแหละแต่โยมเอ า, เอา <Wow. S 2> สัมมาหังมาท่าน ได้โอเคหรือเปล่าโอเคเพราะว่าสัมมาระหังก็ได้พุทโธก็ได้นามาพาทาก็ได้แต่ให้มีสติโยมโยมนั่งสมาธิแตโยมเอาสัมมาระหังได้ไม่ต่างกันแต่โยมได้สัมมารหังมาหลายเกือบสิบปีเลยท่านอืมจะได้สัมมารหังไปอีกหลายสิบปีเลยเนาะถ้าไม่เจริญตัญญานะ ถ้าสมาหังแน่ใจสงบเข้ามาได้สมาธินะแต่โยมแต่โ ย, ยมว่าจะถามท่านบอกว่าเวลาโยมเอาเอากิจของโยมไปโยมปรากฏว่ากิจของโยมเนี่ยนั่งว่าโยมอ ย, อยากแข่งไมโครโฟนติเสียงมันหายหมดเนาะเอาให้คนถือให้ <c oughs> ว่าไงว่าไงโยมอะโยมบางโย ม, ย ม, ยมนั่งไปนั่งไปแต่บอดี้ของโยมอะไปอยู่ใน คล้ายๆบอลูนนะท่านคล้ายไปอยู่ในในบอลูนเหมือนเหมือนก็คล้า ย, ายโอยู <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ได้ยินบ้างว <c oughs> ่าได้ยินบ้างรลร่างกายไปอยู่ลูกปโป่งใช่มววอ๋ อ, อคือนั่งไปกำหนดไปนะครับล้ร่างกายน่หลุดออกจากร่างแล้วไปอยู่ในลูกโปง<อ>่งคล้ายๆดวงแก้วครับท<อ>่านนั่นแหละน่นจิตมีสมาธิเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปเที่ยวอย่างนั้นแหละ เที่ยวแล้วก็พบว่าไม่ได้อะไรเลยกิเลสไม่หายอ่ะบอกว่าไปแล้วเห็นทุกอย่างที่อยากจะเห็นแล้วก็มีความสุขมากๆครับใช่<อ>นั่นแหละเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเหมือนไปทัศนาจร <laughs> ไม่ล้างกิเลสนะแค่สบายใจต่อไปนี้มาเจริญปัญญาล้างกิเลสแล้วมาดูลองในร่างกายเห็นร่างกายนี้เหมือนตัวคนอื่นมาดูลองในใจเห็นจิตใจเหมือนคนอื่น แทนที่จะเที่ยวออกข้างนอกนะมาเที่ยวอยู่ในร่างกายมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปทีละส่วนให้จิตมาเที่ยวอยู่ในไายนี่แหละไม่เที่ยวออกนอกม่วนบอ <c ười> ครับสําหรับคําถามสุดท้ายนะครับหลวงพ่อมีคนฝากมาถามนะครับด้วยการอยู่ไกลแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีญาติรำท่านหนึ่งปฏิบัติเองแล้ว แล้วต อ, ตอนที่นั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งนั่งมาร่างกายหายแล้วตกใจครับกลัวตายก็เลยหยุดจากการนั่งกรรมฐานแล้วไม่รู้จะทำทำยังไงเพราะกลัวว่าร่างกายกับจิตใจนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ตายหรอกยังไม่เคยเห็นใครนั่งกรรมฐานตายเลยนะมีแต่พวกไม่นั่งกะ ต, ตายเยอะแยะให้ไปนั่งอีกอย่างไปกลัวถ้ากลัวนะให้ย้อนมาดูจิตให้เห็นเลยจิตมันกลัว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 มาดูกายไว้นะแล้วพอจิตหนีไปเราคอยรู้ทำความรู้สึกขึ้นมานะสบายๆเหมือนเรากำลังดูคนอื่นนั่งอยู่ดูตัวเองเนี่ยเหมือนเราเห็นคนอื่นกำลังนั่งอยู่เราเป็นคนดูสบายๆเราดูด้วยใจไม่ได้ดูด้วยตาหนีไปคิดแล้วหนีไปคิดแล้ ว, ลวรู้ว่าหนีไปคิดนะ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 ไม่ชอบขยับอย่างนี้ก็หาอย่างอื่นมาทำก็ได้อะไรก็ได้ทำไว้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันเวลาใจเป็นไหลไปคิดนะนี่หลวงพ่อให้ขยับเพราะว่าพวกเรานั่งอยู่กับที่เนะมื่อก่อนเวลาหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่ถนัดเดินจงกรมน้ำหนักมันมากเพราะว่าบรรพรบุรุษนี่อ้วนทั้งนั้นเลยกินข้าวนิดเดียวก็อ้วนละเดินมากๆไม่ไหวนั่ง นั่งแล้วบางทีเคลมง่ายถ้านั่งแล้วเคลิมเนี่ยไม่ดีหลวงพ่อมีพัดอยู่อันหนึ่งนะเมืองไทยมันร้อนเนี่ใช่ไหมเรามีพัดอยู่อันหนึ่งนั่งพัดไปเรื่อยเห็นน่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปพอพัดพัดไปใจลอยหนีไปที่คิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันใจลอยไปละก็กลับมาพัดใหม่รู้สึกตัวไปไม่ว่านะไม่ว่าจิตว่าหนีไปไม่ว่ามันอยากหนีก็ไม่ว่ามันแล้ก็มาพัทไปพัดไปมันใจลอยไปอีกรู้อีกใ น, ะนสุดใจมันก็ตั้งมัน่นเด่นดวงขึ้นมาได้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 ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูให้เห็นตรงนี้นะเช่นวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเอาเท่านี้นะต่อสมควรกราบขอพบพระคุณหลวงพ่อครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับและช่วงต่อจากนี้ไปนะครับก็มีญาติธรรมนะครับหลายท่านที่อยากจะร่วมทาบุญกับหลวงพ่อนะครับแล้วพวกหลายๆท่านก็มีภาไตรนะครับกับสังฆทานช่วงนี้นะครับเราจะขออ่า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 ยถาวาริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิีโยวิวัชชนตูสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะ อาภิวาธนาศีลิสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตาโรธรร ม, มาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุหลวงพ่อขอนุโมทนานะกับผู้ที่ช่วยกันจัดงานคุณวินลี่ไปสาไปนิมนตนะ์หลายคนช่วยกันทำงานด้ค่าว่าช่วยกันทำเวทีด้วยแล้วทำได้ดีนะ หลวงพ่อไม่ใช่เบาๆเรี๋ขึ้นมาแล้วไม่สุดด้วยนะพวกเราอย่านึกว่าเราอยู่ไกลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้านั้นก็เหมือนเราอยู่กับท่านเราก็มาศึกษาท่านห้ามอะไรเราก็อย่าไปทำท่านสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำเหมือนท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรา้าเราอยู่กับท่านเรื่อยๆนะใจเราจะอบูนนะ เราไม่ว่าเหว่ไม่ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ว่าเหว่หรอกมันเหมือนคนมีพ่อมีแม่อยู่ตลอดเวลาเวลาเราภาวนาไปเนี่ยเราเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นถ้าวันใดที่ใจเราเข้าถึงธรรมะแล้วเราจะรู้มีความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคนที่หลงทางมานานแต่เวลานี้เรากลับบ้านได้แล้วถ้าเราได้ธรรมะเบื้องต้นมันก็คล้า ย, ายๆเรามาเจอถนนที่จะเดินไปสู่บ้านเรา าภาวนาไปถึงขีดสุดก็เหมือนเรากลับบ้านได้พระนิพพานเหมือนบ้านที่แท้จริงของเราเป็นที่ที่สงบสันติไม่ใช่อุดมกติเลื่อนๆลอยๆหลอกๆกันเป็นของที่เราภาวนาเราสัมผัสได้ถึงความสงบสุขในจิตใจนั้นถ้าเราสัมผัสได้เราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยคุ้มค่าแล้วถ้าเราไม่ได้สัมผัสเราก็ไม่รู้สึกหรอกก็อยู่กับโลก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 บางคนก็คิดว่าเป็นชาวพุทธนะต้องมักน้อยสันโดษมักน้อยสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจคำว่าสันโดษนะหมายถึงว่าทําเต็มฝีมือเลยนะแต่ว่ามันได้ผลเท่านี้ละโอเคพอใจเพราะมันได้แค่นี้ละสุดฝีมือได้แค่นี้ละแม้ก็กลุ้มใจงั้นเราต้องขยันมันเพียนอยู่กับโลกต้องขยันมันเพียนนะทามาหากินไปพระเจ้าสอนละเอียดมากเลย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 ความจริงชอบเล่นแต่เล่นไม่เก่งหรอกส่วนมากเจ๋งเสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราทำได้เรามีชีวิตที่พอดีพอควรพออยู่พอกิ น, นทำงานได้เก็บไว้บ้างทำประโยชน์บ้างอะไรย่างเงี้ยอย่าไปลงกับโลกนักโลกมันหลอกเราอยู่กับมันชั่วครั้งชั่วคราวงานหลัก